ประสบการณ์หลอนหอพักครูสมุดปราการสัมผัสสยองแหมเป็นคนอีสานเรียนจบจากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งของอีสานพอเรียนจบ แฮก็ได้มีโอกาสมาทำงานที่โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการโรงเรียนนั้นมีหอพักครูอยู่ในหมู่บ้านที่อยู่หลังโรงเรียนหมู่บ้านนี้จะมีซอยเยอะมากซึ่งหอพักครูจะอยู่ระหว่างซอยที่1 7 1เถึง1ิหอพักมีสองชั้นแ้ได้ห้องข้างล่างห้องที่สองหลังห้องแท้เป็นบ้านร้างไม่มีคนอาศัยอยู่ ต้นไม้จึงขึ้นรกมากยาวัชพืชขึ้นปกคลุมบริเวณบ้านและดที่สำคัญร้านขายของชําอยู่ไกลมากถ้าจําไม่ผิดนาจะอยู่ซอยสาเวลาไปซื้อของก็ยืมรถจักรยานพี่ที่หอมาใช้แพรชอบปั่นจักรยานออกมาซื้อของเวลาสองทุ่มถึงสามทุ่มเป็นประจําวันแรกที่แพรปั่นจักรยานเพื่อที่จะไปซื้อของ แพรปั่นไปที่ซอย19ปั่นไปไม่ถึงครึ่งซอยก็มีสุนัขเหา่าและไล่กัดอย่างเอาเป็นเอาตายมันน่ากลัวมากวันต่อมาแพก็ปั่นจักรยานไปซื้อของอีกแต่ทีนี้แพรเปลี่ยนซอยเป็นซอยที่18ปปรากฏว่าไม่ต่างจากซอยที่19เเลยหมาเยอะเหมือนกันวันต่อมา แพ้ก็ปั่นจักรยานไปซื้อของอีกแพ้ปั่นไปที่ซอย17ในขณะที่ปั่นอยู่นั้นก็คิดว่าจะเป็นเหมือนกับสองซอยที่ผ่านมาแต่ปรากฏว่าทุกอย่างเงียบกลิบไม่มีสุนัขออกมาไล่กัดสักตัวแม้แต่เห่าก็ยังไม่มีเลยบรรยากาศสองข้างทางเป็นทาวเฮาสองชั้นมันดูรกร้างต้นไม้ขึ้นใบไม้หล่นในบริเวณทาวเฮา และมีคนอาศัยอยู่แค่ไม่กี่หลังทำให้ดูวังเวงมากแต่แพรก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะแพรรู้แล้วว่าซอยนี้ปลอดภัยหลังจากนั้นมาแพรก็ปั่นจักรยานผ่านที่ซอยนี้ประจำวันหนึ่งขณะที่แพรกำลังนั่งเล่นเกมที่โต๊ะอย่างเมามันซึ่งหันหน้าไปที่บานเกรดด้านหลังแพระจะเป็นเตียงแพรเปิดประตูหลังห้อง ล็อประตูห้องน้ำไว้ประตูทางเข้าจะอยู่ตรงกับประตูห้องน้ำพอดีแล้วเสียง M S N ก็ดังขึ้นเพื่อนแพรทักมาบอกว่าให้เปิดกล้องคุยกันแพรก็เลยหยุดเล่นเกมแล้วเปิดกล้องคุยกับเพื่อนตอนนั้นน่าจะเย็นมากแล้วแพ้เปิดไฟเฉพาะในห้องไว้แต่ไฟส่วนอื่นยังไม่ได้เปิดฟังเพื่อนที่มีกันอยู่หคน ก็ถามว่าอยู่กับใครแพรบอกว่าอยู่คนเดียวพร้อมกับหบุนกล้องให้เพื่อนดูพอคุยกันได้สักพักหนึ่งแพรเลยบอกเพื่อนว่าจะไปเข้าห้องน้ำพูดเสร็จแพรก็ลุกไปเข้าห้องน้ำเพราะกลับมาก็ปรากฏว่าเพื่อนปิดกล้องไปแล้วแพรเลยถามว่าปิดทำไมเพื่อนถามว่าอยู่กับใครแพรบอกว่าอยู่คนเดียว เพื่อนมันก็ถามย้ำอีกว่าอยู่กับใครแต่แพรก็ยังคงยืนยันว่าอยู่คนเดียวจริงๆแล้เพื่อนก็บอกว่าตอนที่แพรไปเข้าห้องน้ําก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งผมยาวใส่เสื้อสีขาวและกางเกงสีเทาแพรไม่เชื่อที่เพื่อนพูดเพื่อนจึงส่งรูปมาให้ดูซึ่งแพรก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไร นี่คือรูปนั้นและรูปนี้ไม่มีการตัดต่อใดๆทั้งสิ้นพอตื่นเช้ามาแพรก็ไปกินข้าวที่ร้านป้าข้างหอด้วยความที่อยากรู้อยากถามเลยเอารูปให้ป้าดูป้าดูได้สักพักก็ส่งให้คนในร้านข้าวดูบ้างทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ผู้หญิงคนนี้เธอเป็นคนภาคอีสานมาทํางานที่จังหวัดสมุทรปราการพร้อมกับแฟนของเธอเธอทํางานก่อสร้างสักแห่งหนึ่งในจังหวัดนี้เธอพักที่ทาวเฮาส์ซอยสิบอยู่กันหลายคนแฟนเธอเป็นคนเจ้าชูมีเมียน้อยไม่ค่อยกลับมาหาเธอเธอทําได้แค่รอและช่วงนั้นเธอก็ตั้งท้องด้วยวันหนึ่ง แฟนของเธอก็กลับมาเธอบอกกับเขาว่าท้องแต่แฟนของเธอกลับบอกให้ไปทำแทง้งเธอไม่ยอมทำให้แฟนของเธอนั้นเดินออกจากบ้านไปและไม่กลับมาอีกเลยวันต่อมาเพื่อนๆนของเธอออกไปทำงานกันหมดเหลือเพียงเธอคนเดียวเธอบอกว่าไม่สบายอยากพักอยู่ห้องเพื่อนๆ น, นก็ไม่เอกใจอะไร พอเพื่อนนอกห้องไปได้สักระยะหนึ่งเธอก็ผูกคอตายในทาวเฮานั้นกว่าเพื่อนจะรู้ก็ตอนที่กลับจากทำงานแล้วเพื่อนของเธอเลยนำศพเธอกลับไปยังบ้านเกิดของเธอหลังจากที่เธอตายไปได้ไม่นานเธอก็เยียนมากหลอกคนที่อยู่ในละแวกนั้นบ่อยมากจนคนในซอยเริ่มทยอย ย, ย้ายออกไปทีละหลังเหลือแค่ไม่กี่หลัง ป้าบอกว่าเธอเพิ่งหยุดเฮียนไปได้สามเดือนก่อนหน้าที่แพรจะมาอยู่แต่แพรก็ไม่ได้คิดอะไรแพรยังคงใช้ชีวิตเหมือนเดิมเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลังจากนั้นไม่นานวันนั้นเป็นวันหยุดยาวครูที่หอกลับบ้านกันหมดเหลือแค่แพรคนเดียวขณะที่แพรเล่นเกมอยู่ตอนนั้นน่าจะประมาณห้าโมงเย็นแล้ว แพรได้ยินเสียงคนทุบ ป, ประตูห้องน้ำเสียงดังมากมันดังมาจากห้องของแพรเองแพรได้ยินก็สะดุ้งตกใจมากแต่ก็ทำเป็นไม่สนใจหลายวันผ่านไปขณะที่แพรนอนอยู่แพรก็ได้ยินเสียงคนเดินในห้องเดินไปเดินมาแต่แพรก็ทำเป็นไม่ได้ยินแล้วนอนต่อ มันเป็นอย่างนี้แทบทุกวันจนมีอยู่คืนหนึ่งก่อนนอนในคืนนั้นแพรพูดออกไปว่าถ้ามีจริงแน่จริงคืนนี้ให้หวยด้วยเข้าฝันก็ได้แล้วอยากได้อะไรก็จะให้ตอนนั้นแพรพูดออกมาด้วยความโมโหไม่ทันได้คิดอะไรแล้วแพรก็หลับไปแพ้ฝันว่าเห็นตัวเองนอนอยู่บนเตียง แล้วได้ยินเสียงที่บานเกล็ดประตูหลังห้องพอแพ้หันไปดูก็เห็นมือเหี่ยวๆมีเล็บยาวมากกำลังเอามือลอดเข้ามาในบานเกล็ดดิความตกใจคิดว่าเป็นโจรเลยลุกจากที่นอนแล้วไปหยิบมีดมาฟันที่มือนั้นก็ได้ยินเสียงกรีดร้องสักพักก็หายไป จากนั้นก็มีเสียงคนทุบ ป, ประตูอยู่หน้าห้องแล้วเสียงก็เงียบไปสัพักก็เห็นเงาดำๆรูปร่างเป็นผู้หญิงผมยาวยืนอยู่ปลายเตียงแล้วพูดว่าอยากได้หวยไม่ใช่หรอแพรตอบว่าใช่ผู้หญิงคนนั้นเลยให้หวยมาสองตัวเพราะแพรตื่นขึ้นมาในตอนเช้าก็โทรให้น้องซื้อ แพรก็ซื้อห้าบาทเพราะแพรไม่ชอบเล่นหวยเพราะถึงวันหวยออกก็ปรากฏว่าถูกจริงๆแพรเลยโทรไปหาน้องน้องบอกว่าลืมไม่ได้ซื้อให้แต่แพรก็ไม่ได้ว่าอะไรหลังจากนั้นแพรก็ลืมเรื่องนี้ไปเลยจนมาถึงช่วงหนึ่งแพรรู้สึกไม่อยากกลับบ้านขนาดมีวันหยุดยาว แพรยังไม่อยากกลับเลยพอไปทำงานที่โรงเรียนพี่เขาก็ทักว่าทำไมช่วงนี้ดูคล้ำๆหน้ามองจังโดนของหรือเปล่าแพรก็ปฏิเสธไปว่าไม่หรอกช่วงนั้นแพรไม่สบายบ่อยมากเป็นๆหายๆแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งอยู่ๆแพรก็รู้สึกว่าอยากกลับบ้านมากแพรเดินไปหารุ่นพี่บอกว่าอยากกลับบ้าน พี่เลยบอกว่ากลับด้วยกันไหมพี่เขาจะกลับอยู่พอดีพรุ่งนี้ไปพร้อมกันแพ้ก็ตอบตกลงและดีใจที่มีเพื่อนกลับด้วยพอไปถึงบ้านยายก็ถามว่าทำไมผอมจังหน้าดุคล้ำมากเดี๋ยวพรุ่งนี้พาไปวัดตื่นเช้ามายายก็พาไปวัดวัดนี้เป็นวัดป่า และเป็นที่นับถือของคนในพื้นที่พอเดินเข้าไปในศาลาพระก็พูดว่าโยมพาใครมาด้วยแพรก็หันหลังไปมองว่าพลาดท่านพูดกับใครแต่ก็ไม่มีใครแล้วพระก็บอกว่าโยมนั่นแหละมีคนตามมาด้วยแพรเลยถามพระรูปนั้นว่าที่ตามมาเป็นผู้ชายหรือผู้หญิง ท่านตอบว่าเป็นผู้หญิงแพรจึงถามต่อว่าแล้วตามมาจากไหนท่านตอบว่าตามมาจากที่ทำงานแพรถามว่าเขาต้องการอะไรท่านก็ตอบว่าแล้วโยมพูดอะไรกับเขาไวล้ล่ะแพรนั่งเงียบนั่งคิดได้สักพักหนึ่งก็พูดขึ้นมาว่าอยากได้อะไรก็จะให้ท่านเลยบอกว่านั่นแหละ ที่เขาตามโยมมาแพรถามว่าแล้วเขาต้องการอะไรท่านเลยบอกว่าเขาต้องการชีวิตของโยมดีนะที่ดวงยังไม่ถึงข้าป่วยบ่อยใช่ไหมหละ่ะแพรก็ตอบว่าใช่ท่านก็บอกว่าไม่แปลกหรอกก็เขาไปไหนมาไหนกับโยมตลอดแล้วยายแพ่ก็ถามว่าพอจะมีทางแก้ไหมท่านเลยตอบว่ามี จะ ต, ต้องทาภายในสามวันไม่งั้นตายให้ไปรดน้ำมนต์เวัดภายในวันเดียวต้องได้เจวัดและต้องทาภายในสมวันนี้เท่านั้นแล้วเขาก็จะไม่มากวนอีกแพรกับยายก็กลับบ้านไปพอตื่นเช้ามาตากับยายก็พาไปรดน้ำมนต์เวัดหลังจากนั้นมาแพรก็ไม่เคยเจอเธออีกเลยแพร กลับไปทำงานและอยู่ที่ห้องนั้นต่อจนครบหกเดือนแล้วแพรก็ย้ายไปทำงานกับเพื่อนที่กรุงเทพ สมภัสิอง